ว่าด้วยประวัติพระยามิลินครั้นศาสนาสมเด็จพระบรมครูเจ้าล่วงมาตามพุทธทํานายฝ่ายเจ้าสมนเนตนั้นก็ได้มาเป็นบรมกษัตริย์ส่งพระนามบัญญัติชื่อว่าสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาชาวสาขาราชธานีปันดิโตวิยัตโตมีปัญญาเฉลียวฉลาดเมทาวีเป็นนักปราศ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 รู้คำพีพิชัยสงครามประการหนึ่งปาสันดารู้คำพีโลกกัวหานประการหนึ่งฉันทษารู้จักคำพีผูกบทกลอนกาบโคลงประการหนึ่งสิริเป็นศิลปศาสตร์สิบปดประการดังนี้วาทีทูราสัตโทอันหนึ่งเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีถ้อยคำสนทนาไพเราะดีนักหนา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 จึงมีพระราชโองการตรัสแกหมู่เสวากามาตยนกข่าหลวงอันหมอเฝ้าเดรดาษอยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวาเหมือนดังทรงพระดำริชะนี้ส่วนว่าเสวากามาตราชายโยนกทั้งปวงจึงกราบทูลสนองพระราชโองการว่ามหาราชข้าแต่สมเด็จบรมบพิษผู้ทรงพระคุณอันเปรเสริฐจะได้ทราบกล่าวทราบกระหม่อมหาไม่ได้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 อันเป็นใหญ่ในดาวดึงสาสวรรค์ น, นั้นสโกเทวานามินโทสวดว่าสมเด็จอมรินอันเป็นปิ่นฝูงอมารคนาอัทธะโขทอดพระเทศเห็นพระอรหันต์อันมาแต่ไกลพระอัศคุดผู้มีอายุกว่าพระอรหันต์อยู่ในที่ใดสมเด็จพระอมรินปิ่นสุราลัยก็เข้าไปสู่สถานที่นั้น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 ที่พราหมณ์จกคำนับนบไหว้นี้ไม่มีเลยได้แต่คำหยาบยามพราหมณ์แช่งด่าเสยษสีกำหนดแต่วันมหาเสนะเกิดในคันนับแต่นั้นมาได้ถึงเจ็ดปีแล้วจะได้จังหันในตรกูนั้นทับพีหนึ่งเป็นจังหันสวยจะได้ยาขูศักกระบวย1หนึ่งก็หามิได้และโสนุตระพราหมณ์